อีกอย่างหนึ่งนะอายตนะภายในและภายนอกทั้งหชื่อว่าปาติเพราะอัฐาว่าตกไปนะอายตนะภายในภายนอกเนี่ยนะตกไปข้อนี้สมด้วยพระบาลีที่ตรัสไว้ว่าชาสุโลโกสมุปปโนโลกเกิดขึ้นพร้อมในธรรมะหกอย่างชาสุกุพติสันทวังโลกกระทำความคุ้นเคยในธรรมะหกอย่าง ศีลนี่ชื่อว่าปาติโมกเพราะทําให้หลุดพ้นจากปาติกล่าวคืออายตนะภายในและภายนอกทั้ง6กเหล่านั้นนะถ้ารักษาศีลดีก็ทําให้พ้นจากอายตนะภายในและภายนอกพ้นจากอายตนะภายนอกนะถ้าศีบางอย่างหลับตาก็ไม่เห็นแล้นะแต่ถ้าพ้นจากอายตนะภายในนี่ทําไงให้พ้นจากใจเป็นต้นนี่นะทำไงทำไม่อาศัยกุศลศีลเป็นต้นนี่นะจะไม่มีทางพ้นเลย อันศีลชื่อว่าปาทิโมงนี่ทําให้พ้นจากอายตนะภายในและอายตนะภายนอกถ้าบอกว่าอายตนะเนี่ยนะขันก็เท่ากับกล่าวแล้วธาตุสัจจะเออธาตุเป็นต้นก็เท่ากับกล่าวแล้วเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งสังสาระสงสารนี่ไม่ใช่โอ๊ยเห็นใจเหลือเกินนี่ไม่ใช่นะสงสารอันนี้ก็คือสังสาระเรียกว่าชื่อว่าปาตีเพราะอาจว่า มีตกไปมีการตกไปคือมีการตกพินาศไปสังสาระเนี่ยมันตกพินาศไปใช่ั้มมันเป็นไปแล้วก็มีแต่พินาศเป็นไปแบบหมดไปสิ้นไปเสื่อมไปพินาศไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละไอ้สังสาระ น, นี่นะนั้นเชื่อว่าปาติมโมกพ่ออถิว่าพ้นไปพ้นไปจากการตกจากความพินาศอันนั้นก็คือทำให้พ้นไปจากสงสารอันนั้นนะนะปาติมโมกทาให้พ้นจากสงสาร ถ้าไม่มีปาติโมกข์แล้วจะไม่พ้นจากสงสารอีกอย่างหนึ่งโอ้ยท่านไม่รู้เอาอะไรมาขยายท่านนักนะท่านมีอะไรมาขยายเยอะแยะไปหมดเลยนนะดีกาเนี่ยและไม่ใช่คำพีเดียวนะแบบเนี่ยก็คือคำว่าโมกขะเนี่ยนะก็คือทาให้พ้นจากสังสาระนะ จนพรเอาเอาเอาแก้หน่อยนะไอคหน้าแปดสิบห้าข้างล่างสุดนะพ้นไปจากสงสารนั้นนะตรงนั้นเนี่ยแก้หน่อยนะวงเล็บว่าข้างล่างก็ได้ว่าพ้นไปจากสงสารนั้นเชื่อว่าปาติโมเพราะอาดว่าพ้นไปจากสงสารนั้นเพราะว่าสงสารเนี่ยคือตกไปมีการตกพินาศไปใช่ไหมเพราั้นปาติโม่ก็คือทําให้พ้นจากการตกไปอ่ะนะคือให้พ้นจากสงสารอันนั้นนั่นเอง จะ แ, แก้หน่อยจากการตกไปพินาศเนี่ยพ้นไปจากการพินาศก็ได้หรือพ้นไปจากสงสารนั้นก็ได้ีปาติกับโมก ค, ค่ะพ้นพ ก, ก็คือพ้นจากไอ้พวกปฏิปาฏิทั้งหลายแหละไม่ดีสักอย่างเออแต่ปาฏินี่ดีนะมาดูหน้าแปดสิบหกนี่มีปฏิดีหน่อย<ม>ก็บอกว่าอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคผู้เป็นใหญ่ในธรรมะ ชื่อว่าปฏิพระพุทธเจ้าผู้เป็นใหญ่เนี่ยนะปฏิตรงนี้ก็มาจากอธิปฏินะเพราะความเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกทั้งปวงพระพุทธเจ้านี้เป็นอธิบดีแห่งโลกทั้งปวงนะเป็นชื่ออปฏิตัวนี้เนี่ยนะไม่ใช่ปาตินะปฏิปฏิปฏินี้หมายถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นอธิบดีแห่งโลกชื่อว่าโมฆะเพราะอาจว่าเป็นเป็นเครื่องหลุดพ้นอ่ะนะเป็นเหตุให้หลุดพ้นอ่ะศีลชื่อว่าปฏิโมฆ เพราะอธถว่าเป็นธรรมะเครื่องหลุดพ้นของพระพุทธเจ้าผู้เป็นปฏิคือผู้เป็นอธิบดีอ่ะ <_ d iam> เพราะความที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติเอาไว้ก็คือเป็นศีลของพระพุทธเจ้านะศีลของพระพุทธเจ้านั่นแหละชื่อว่าปาติโมกเพราะว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นอธิบดีอ่ะท่านบัญญัติเอาไว้ปฏติโมกโขนั่นแหละเป็นปาติโมกโคนี่นะปาติโมกก็คือเพิ่มศัพท์มาอีกศัพท์หนึ่งก็คือรัะเป็นทีฆะ จากปะเป็นปลาเท่านั้นเองอันนี้ศีลในยะนี้ก็คือศีลของพระพุทธเจ้านะเครื่องเครื่องที่ทำให้หลุดพ้นน่ะซึ่งธรรมะอันนี้เป็นของพระพุทธเจ้าว่าไงแต่ศีลของพระพุทธเจ้าคนอื่นไม่สามารถบัญญัติได้นะอีกอย่างหนึง่งธรรมะธรรมะในที่นี้ชื่อคือศีล น, นะศีลนั้นชื่อว่าเป็นปฏิด้วยอัถาวาสูงสุด ศีลนะเนี่ยนะเป็ น, เ ป, นเป็นธรรมะที่สูงสุดเพราะความเป็นมูลรากแห่งคุณทั้งปวงศีลเนี่ยนะเป็นเป็นมูลรากแห่งคุณทั้งหมดและชื่อว่าโมคขะด้วยอัถฐาตามที่กล่าวไว้แล้วเห็นไหมโมฆะก็คือพ้นนั่นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าปฏิโมคโคปฏิโมคโคนั่นแหละเป็นปาติโมคโคจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า คำว่าปาติโมกฆังนี้เป็นโมขะเป็นปากคำว่าปาติโมกฆังนี้เป็นประมุขความพิสดาครคนกล่าวต่อไปความพิสดารก็ที่เรากล่าวไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะปาติโมฆ ก, ก็คือเป็นประมุขเป็นประธานเป็นสูงสุดเหมือนันเถอะทีนี้ถ้าแยกสัพท์อีกนัยยะหนึ่งก็บอกว่าศัพท์ว่าปะเนี่ยนะก็มัมาจากปะอติโมฆะเนี่ยนะแยกสับออกมา ปะเป็นนิบาตลงในอัตว่าปการะประการต่างๆศัพท์ว่าอตินี้เป็นนิบาตเหมือนกันลงในอัตว่าล่วงส่วนฉะนั้นศีลคําว่าสภาวะคือศีลใดย่อมทําให้หลุดพ้นอย่างล่วงส่วนโดยประการโดยประการทั้งหลายเหตุนั้นสภาวะคือศีล น, นั้นจึงชื่อว่าปาติโมกโคคือทําให้สําเร็จล่วงส่วนเลยนะจริงอยู่นี่เป็นคาําอธิบายว่า ศีลนี้ตนเองตอนเองเนี่ยย่อมยังสัตว์ให้หลุดพ้นด้วยอํานาจตะทางข้าประหารตัวศีลเนี่ยนะทำให้สัตว์หลุดพ้นด้วยอํานาจตะทางข้าประหารตรงนั้นเนี่ยนะบางคนเออ่านไปด้วยสับสนไปด้วยเพราะว่าเขาแปลสับสนตรงนี้นะบอกตรงๆว่าแปลสับสนเพราะฉะนั้นถ้าเนื้นอหาที่ตรงๆนะบอกว่าศีลนี้ ต, น, remlin, ตนเองย่อมยังสัตว์ให้หลุดพ้นด้วยอํานาจตะทางข้าประหาร ศีลนี้ถ้าประกอบด้วยสมาธิและประกอบด้วยปัญญาย่อมให้สัตว์หลุดพ้นคือปลดเปลื้องได้อย่างล่วงส่วนด้วยอํานาจวิขำพนะนปะหารและสมุดเฉทะระปหารเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าปาติโมกอันนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงประโยคนิดหน่อยถ้าไม่เปลี่ยนนี้เข้าจะยากเอาใหม่นะศีลนี้ตนเองย่อมยงังสัตว์ให้หลุดพ้นด้วยอํานาจตทางค้าปะหารศีลเนี่ยนะถ้าประกอบด้วยสมาธิและประกอบด้วยปัญญา ย่อมยังสัตให้หลุดพ้นคือปลดเปลื้องได้อย่างล่วงส่วนด้วยอำนาจวิขมพนะประหารเพราะว่าสมาธิเป็นวิขมพนะประหารใช่ไหมปัญญาเป็นสมุทเฉทะประหารทำไมนะเ อ, เอายังถูกนะจริงอยู่จริงอยู่ศีนนี้ตนเองย่อมยังสัตให้หลุดพ้นตนเองเนี่ยย่อมยังสัตให้หลุดพ้นด้วยอำนาจตะทางคาประหารศีนนี้ประกอบ ศีนเนี่ยประกอบด้วยที่ประกอบด้วยสมาธิและประกอบด้วยปัญญาย่อมยังสัตให้หลุดพ้นคือปลดเปลื้องได้อย่างล่วงส่วนด้วยอำนาจวิขมพระนปะหารและสมุทเชธาปะหารตีซิกแซกตีคงก็คือให้พ้นจากกิเลสนั่นแหละพ้นส่วนแห่งกิเลสนะพ้นกิเลสไปเลยอย่างเช่นศีนเนี่ยนะตัวเข้าเนี่ยเป็นแต่ทางฆ่าปะหารใช่ไมสมาธิเป็น วิขำพนะประหารสมาธินั้นถ้าไม่มีศีลนะ่าจะเป็นสมาธิได้เลยใช่ไหมปัญญานี้เป็นสมุเทเฉทประหารถ้าหากว่าไม่มีศีลนะเข้าไปประกอบและปัญญาจะทําสมุเทเฉทประหารได้อย่างไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านก็อธิบายสรุปให้อีกอย่างหนึ่งเลยนะต่อไปชื่อว่าปฏิโมกโหคือศีลเนี่ยนะศนะีลเนี่ยชื่อว่าปฏิโมกโหเพราะอธิว่าทําให้หลุดพ้นเฉพาะเฉพาะอธิบายว่า ย่อมทําให้หลุดพ้นเฉพาะแต่ละอย่างแต่ละอย่างจากโทษคือการล่วงละเมิดนั้นๆนะเนี่ยนะคือศีลเนี่ยมีหลายข้อใช่ไหมปาติโมกเนี่ยนะชเช่นปาราชิกศีสังฆาทิเศษเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นปาติโมกคือศีลอัน น, นี้ก็ทําให้พ้นจากความชั่วแต่ละอย่างแต่ละอย่างไปตามสมควรแก่ศีข้าบทนั้นนั้นเนี่ยนะปาติโมกขานั่นเองเป็นปาติโมกก็คือศีลเนี่ยนะทำให้หลุดพ้นเฉพาะหลุดพ้นเฉพาะ แต่ละอย่างแต่ละอย่างจากกิเลสแต่ละอย่างแต่ละอย่างค่อยๆแก้เป็นเปราะเป็นเปราะไปเนี่ยนะศีนี่เป็นลักษณะนั้นคือปัญหาเรานี่แสดงว่าไม่ได้แก้รวดเดียวได้ค่อยๆแก้ทีละเรื่องทีละเรื่องแต่ละอย่างทีละอย่างทีละอย่างไปอันศีนที่เยอะเนี่ยแสดงว่าปัญหาของสัตว์นี่เยอะมากเมื่อปัญหาเยอะอย่างนี้ศีนก็เยอะก็ค่อยๆแก้ปัญหาให้ชีวิตไปอีกอย่างหนึ่งโมขะหรือคําว่าโมฆะเนี่ยนะได้แก่นิพพานธรรมะอันมีรูปเปรียบ ของโมฆะก็คือมันตรงต่อนิพานน่ะนะธรรมะที่ตรงต่อนิพานหรือว่าธรรมะที่เปรียบเหมือนนิพานเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าปัติโมฆะนะธรรมะที่ตรงต่อนิพานน่ะนะจึงอยู่ศีลสังวรเป็นความผุดขึ้นของนิพานเปรียบเหมือนรุ่งอรุณเป็นความผุดขึ้นของพระอาทิตย์และมีส่วนเปรียบด้วยนิพานนั้นอะ ถามว่าศีลเนี่ยนะที่บอกว่าผุดขึ้นเนี่ยแปลเป็นบาลีว่าอุไทัยนะมีส่วนเปรียบศีลสังวรเป็นความผุดขึ้นของนิพพานว่างั้นเถอะอุผุดขึ้นเนี่ยเป็นอุไทยัยคำว่าอุไทยท่านก็นเลยอุปมาว่าเปรียบเหมือนรุ่งอรุณคือความผุดขึ้นของดวงอาทิตย์คือความอุไทยคือความเกิดขึ้นของดวงอาทิตย์นะหรือว่าศีลสังวรเนี่ยเปรียบด้วยนิพพานนั้น ถามว่านี่พานนีัละกิเลสใช่ไหมนี่พานนีัละกิเลสแต่ว่าศีลเนี่ยนะยังกิเลสให้ดับไปตามควรศีลเนี่ยทําให้หมดกิเลสไปตามสมควรแก่กิเลสนั้นๆั้นคล้ายๆนิ่ผ่านเหมือนนี่ผ่านเหมือนนี่ไม่ใช่แล้วใช่ไหมอะไรที่เหมือนนี่แสดงว่าไม่ใช่อุ้ยไปซื้ออะไรมาเหมือนทองเลยแสดงว่าไปซื้ออย่างอื่นที่ไม่ใช่ทองแล้วละ่ะ จนพอตามสมควรแก่สิ่งนั้นๆอีกนัยยะหนึ่งเนี่ยนะศีลชื่อว่าปฏิโมกขังเพราะอัจว่าเป็นไปเฉพาะตรงหน้าต่อโมกขะนะนะศีลเนี่ยนะเฉพาะหน้าหรือว่าไปตรงต่อ น, นิพานเลยเหมือนกันเนี่ยโมกขะเป็นชื่อของนิพานใช่ไหมเพราะฉะนั้นปฏิโมกเนี่ยเพราะมีความหมายว่าเฉพาะหรือว่าไปเฉพาะหน้าต่อโมกขะหรือไปต่อไปหานิพานเลยเหมือนกัน ถ้ามีศีล น, น, นี่ตรงหานิพพานเรียกว่าซ้ายก็ไม่ไปขวาไม่ไปมุ่งนิพพานอย่างเดียวแสดงว่ามีปาติโมกนะบัณฑิตเพิ่งทราบความหมายของสั์ว่าปาติโมกในที่นี้ด้วยประการดังกล่าวมาชนิดก่อนนี่ความหมายของสั์เฉยๆนะสับว่าปาติโมกนี่กว้างขวางมากแต่ว่าสรุปสรุปแล้วสรุปว่าไง คือถ้าหากว่ามีปฏิโมกขสังวรศีเนี่ยนะชัดเจนเลยก็คือทําให้ไม่ให้ไปสัวบายหนึ่งทำให้บริสุทธิ์จากสังสารวัฏนี่ยหนึ่งชําระกิเลสตันหานั่นน่ยหนึ่งแล้วก็มุ่งตรงต่อพระนิพพานเนี่ยหนึ่งแล้วก็เป็นความพิเศษคือเป็นของพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งะนน้นี่คือโดยสรุปสรุปของคําว่าปฏิโมกเนี่ยนะดังนั้นทําให้เห็นคุณค่าของ กุศลศีลเหล่านี้ว่ากุศลนิศีลเหล่านี้เนี่ยช่วยให้เราพ้นจากวัฏฏุกจริงๆเลยนะเราจะได้ไม่นึกรังเกียจของศีลใช่ไหมเออศีลเ น, นี่ยรักษาเราไม่ๆเรารักษาศีลหรือว่าไม่ไม่นี่เรารักษาศีลแต่นานๆ น, นี่ศีลรักษาเราเลยนะธทำโมฮเวรคติธรรมจารีใช่ไหมทําแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีธรรมะเป็นเครื่องรักษาเลยนะแล้วจะมีอะไรมารักษาเรา เพราะว่าธรรมเนรักษาเราถามว่ากุศลละธรรมนั่นแหละเป็นเครื่องรักษาเราไม่ให้ไปสู่อบายเพราะฉะนั้นตัวเจตนาเนอรักษาเรานะเจตนาที่เป็นศรรนีลเนอรักษาเราเจตสิกที่เป็นศีลก็รักษาเราสังวรที่เป็นศีลก็รักษาเราแล้วก็อวีติกะมะการไม่ล่วงเหล่านั้นรักษาเราแต่ถ้ากิเลสใหม่ๆกิเลสไม่ค่อยยอมหรอกมันอยากทําตรงกันข้ามกับที่ศีลห้ามไหม แต่นานๆเข้านะถ้าเห็นโทษของการล่วงละเมิดนั้นต่อไปก็จะสนิทใจในการรักษาว่างั้นเออนี่รักษาเรานะใครก็เห็นโทษของการใช้จ่ายว่างั้นเถอะก็จะสังวรมากขึ้นในการใช้จ่ายใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเห็นโทษของกิเลสมากขึ้นก็จะเห็นอันนี้สองของศีลเท่านั้นว่าศีลนี้ช่วยให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยพ้นจากกองทุกพ้นจากวัตจกรทุกได้เห็นไะห ทนี้ในหน้าถัดไปว่าชื่อว่าสังวรเพราะอาจว่าเป็นเครื่องกั้นคือเครื่องปิดใช่ไหมปาติโมกขสังวรเ น, นี่ยน ะ, ะสังวรคือปาติโมกชื่อว่าปาติโมกขสังวรศีลคือปาติโมกนั้นชื่อว่าปาติโมกขสังวรศีลศีล น, น, นี้โดยอัฐะว่าอัถะของศีลคือสีล้นะนะ <c oughs> สีแล้วนะแบบปาติโมกอะ่ะ ที่จริงแล้วคำว่าสีละะเนี่ยนะเยอะนะใช่ไหมคำว่าสีละณะเนี่ยทั้งเจตนาศีลก็มีมีลักษณะสีระณะเจตสิกศีลก็มีลักษณะสีระณะสังวรศีลก็มีลักษณะสีระณะอวีติกรรมศีลก็มีลักษณะสีระณะแต่ว่าสีละณะตรงนี้เนี่ยเน้นไปที่ปาติโมกคสังวร แต่โดยอัฏฐหรือโดยความหมายปาติโมคสังวร น, นี้ได้แก่วิรัติวรติศีลวิรัต ส, รรสามนะใช่ไหมคำว่าปาติโมคสังวรเ น, นี่ยบอกองค์ธรรมเลยนะว่าได้แก่วิรัตวิรัตนี่ก็คือสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะและเจตนาอ่า น, นะเจตนาที่เวนอ่า น, นะเจตนาจากสศีขาบทที่จะพึงล่วงละเมิดถ้าเจตนานี้แบ่งออกเป็นสองใช่ไหม เจตนาของผู้ที่งดเว้นกับเจตนาที่จะต้องปฏิบัติเพราะฉะนั้นในปาติโมกเนี่ยนะบางศึกษาบทต้องไปทำนะบางศึกษาบทต้องเว้เนนะศึกษาบทบางศึกษาบทต้องประพฤติถ้าไม่ประพฤติไม่ได้ต้องประพฤติเพราะฉะนั้นปาติโมกนั้นได้แก่วีรตีกับเจตนาเนี่ยนะเท่ากับว่าเป็นวิรัสศีลกับเจตนาศีล หรือว่าเจตสิกศินกับเจตนาศีนนั่นเองชื่อว่าปาติโมกนะแต่ว่าสรุปแล้ว ถ, ถ้าตั้งแต่หน้าต้นเลยนะที่บอกว่าสํารวมใช่ไหมหรือศีละณนะนั่นเองสรุปแล้วศินเหล่านี้ก็คือตั้งมัน่นหรือว่ารองรับกุศลธรรมชั้นสูงต่อไปคําว่าท่านเรียกว่าอาธิศีนความว่าปาติโมกขสังวรศีลเป็นสินที่ยิ่งคือพิเศษเพราะความเป็นสังวรทางกายและทางวาจา โดยไม่มีส่วนเหลือเนี่ยนะไม่มีส่วนเหลือเลยนะน่าจะเอ้ยเพิ่มตรงนั้นตักตรงนี้ไม่มีเพราะฉะ น, น ส, สิ่งไหนที่ควรสังวรเนี่ยนะทางกายทางวาจาเนี่ยบริสุทธิ์บริบูรณ์จริงๆเลยนะในปาฏิโมกข์เนี่ยบริสุทธิ์จริงๆแม้กระทั่งการใช้คำเนี่ยนะการใช้คำเนี่ยส่วนใหญ่เราก็อาจจะเป็นเครื่องล้อเรียนกันเลนะ่นน่ะยกตัวอย่างเช่นสีผิวอ่ะนะพูดกระทบเนี่ยนะกระทบชื่อกระทบผิวพันธุ์กระทบ อาโคดวงตะกูลศิลปะวิชาความรู้พวกเนี้นะโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเอามารอกระทบกันเล่นปฏิโมงนี่ห้ามไม่เลยนะถ้ากล่าวกระทบแบบนั้นเนี่ยนะประสงค์จะล้อเล่นเป็นอบัติทุบภาสิตทธุทุทปแปลว่าชั่วใช่ไหมภาสิท์นี่แปลว่าคําพูดคํากล่าวเป็นอบัติทุบพาสิตธิ์นะถ้าพระพิสูจกล่าวเห่มไหมเห็นคนอูย้ยขาวจ้วเหมือนหยวกกล้วยนะพูดคำขำไปเนี่ยทุบภาสิต นนะหรือบอกว่าดําปีเหมือนถ่านอย่างเงี้ยนะประสงค์รอเล่นกะใครก็ช่างเหอะทิศ ด, ด้วยการสมัมมณีหรืออุบาสกญาติโยมใครข่าล้อแบบนี้เป็นอบัตหมดเรื่องไม่มีเหลือเรียกว่าอ ბ ัตทุพพาสิทแต่ถ้าประสงค์จะดา่าไอ้นี่ดําเหมือนกับประสงค์จะด่าอันนี้ถ้าด่าพระด้วยกันเนี่ยปาจิตติเป็นเป็นโอมาสวัสด์เหมืนันนะเป็นคําหยาบเป็นผู้สวัจาเรียกว่าคําหยาบเป็นอบัตินะ แต่ถ้าประสงค์จะล้อเล่นเนี่ยเป็นอบัตทุพพาสิทธิ์เนี่ยนะแต่ถ้ า, าไปด่ากดคมเหงเนี่ยนีเป็นวัตถุแห่งปาจิตติเพราะฉะนั้นไม่มีส่วนไหนที่ไม่ได้กล่าวห้ามไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องสังวรเนี่ยบริสุทธิ์บริบูรณ์หมดเลยเพราะฉะนั้นไอ้ความที่ศีลเนี่ยนะเป็นประทับ ฐ, ฐานแห่งศีลในมัคติโมขะสังวรเนี่ยนะที่จริงแล้วเขาเป็นโลกิยะยนะ ตัวปฏิโมขสังวรสีเนี่ยเป็นโลกิยะแต่เป็นโลกิยะที่เป็นประฐานคือเป็นเหตุใกล้แห่งสีในมักสีในมักได้แก่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะที่เกิดร่วมกับโสดาปติมกักสกาธาคามิมกักอานาคามิมักและอรหัตตมักเพราะฉะนั้นปฏิโมขสังวรสีเนี่ยเป็นเหตุใกล้ที่นับว่ามีความสาคัญมาก นะถ้าหากว่าผู้ใดปรารถนาความบริสุทธิ์จากสังสารวัตรละเลยศีลเหล่านี้เสียแล้วจากบริสุทธิ์ได้อย่างไรเนอะนะนอกจากไปโตเพิ่มนะดำตียิ่งขึ้นนะั่นแหละรักษาตัวให้พ้นจากอบายยังไม่ได้เลยถ้าขาดปาฏิโมกแล้วเห็นไหมข้าปาฏิโมกของคาราวาล่ะมีไหมนะถ้าคาราวะอยู่ในศีลห้าหรือในกรรมบดสิบเนี่ยนะก็ปาฏิโมกเหมือนกันเพราะทำให้พ้นจาก อบายถ้าเราแปลปาติโมกข์ว่าทําให้พ้นจากอบายเนี่ยนะการตั้งมั่นอยู่ในกุศลกรรมบทสิบนั่นแหละเป็นเหตุให้พ้นจากอบายทั้งหลายบทว่าปัโชตานางแปลว่าแห่งแสงสว่างทั้งหลายที่กล่าวเมื่อกี้ว่าปาติโมขะสังวรศีลนั้นเป็นศีนที่ยิ่งและสูงสุดกว่าบรรดาโลกิยะศีนทั้งหมดดุจพระอาทิตย์ยิ่งกว่าแสงสว่างทั้งหลายเนี่ยนะในบรรดาแสงสว่างทุกชนิดเนี่ยพระอาทิตย์สว่างที่สุดว่างั้นเถอะ ปัดโชตานางนี่แปลว่าแห่งแสงสว่างทั้งหลายท่านอาจารย์กล่าวคำเมียที่ว่าด้วยว่าสัตว์อื่นไม่สามารถจะยกบัญญัติขึ้นตั้งไว้ได้เพื่อจะเลี่ยงเสียซึ่งคำถามว่าก็แม้พระประเจ ก, กับพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมเป็นผู้ประกอบด้วยปาติโมขสังวรศีลโดยเป็นธรรมดาไม่ใช่หรือเมื่อเป็นอย่างนี้เพราะเหตุไรท่านจึงกล่าวว้โดยเจาะจงว่าปาติโมขสังวรศีล เป็นไปในพุทธุ ป, ปาทการเท่านั้นเว้นพุทธุ ป, ปาทการย่อมไม่เป็นไปอธิบายว่าพระประเจ ก, กับพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมเป็นผู้ประกอบด้วยปาติโมกขสังวรศีลก็จริงอยู่แต่ถึงกระนั้นปาติโมกขสังวรศีลจะเป็นไปเป็นคนที่แพร่หลายเนื่องด้วยพระประเจ ก, กับพุทธเจ้าเหล่านั้นก็หาไม่ได้คือก็อยู่เฉพาะตัวนะขยายไม่ได้ถ้าพูดถ้าพูดแบบ ทั่วไปนะสำเนียก็คือมีฐานะเฉพาะตัวนะไม่สามารถแบ่งผลประโยชน์นี้ไปกระจายทั่วไปได้ไม่เหมือนพระพุทธเจ้าใช่ไหมศีลนี้เป็นทรัพย์ใช่ไหมเมื่อศีลเป็นทรัพย์พระพุทธเจ้ากระจายทรัพย์เหล่านี้ไปหาสัตว์อื่นได้แต่ถ้าพระปัเจท่านก็อริยทรัพย์อยู่ภายในอย่างเดียวแจกใครไม่ได้เฉพาะตัวเฉพาะตัวแต่พระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นโหตั้งโรงงานแจกเลยนะมาเอาไปเลยเหมงอนกันมีศรัทธาเอาหรือเปล่าท่านนั่นแหละ การบัญญัติว่าโทษชื่อนี้ย่อมมีในเพราะวัตถุนี้ในเพราะความล่วงละเมิดนี้มิใช่เป็นวิสัยของท่านเหล่าอื่นข้อนี้เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นเป็นกําลังของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะเป็นเป็นความสามเมติ์อย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าก็พระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นดังนี้เป็นต้นเนี่ยนะก็บอกว่าศีลเนี่ยนะ สูงหลุดภูเขาซีเนรุเนี่ยนะสูงกว่าภูเขาทั้งหลายฉะนั้นย่อมเป็นไปได้เฉพาะในพุทธุ ป, ปาธการเท่านั้นนอกพุทธุท ป, ปาธการหาเป็นไปได้ไม่ด้วยว่าสัตว์อื่นไม่สามารถยกบัญญัติตั้งไว้ก็เพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นแหละจึงจักสา ม, มารถบัญญัติได้เพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าละกิเลสทุกชนิดการละกิเลสของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ ไม่ใช่ละแบบคนธรรมดาทั่วไปละพร้อมทั้งวาสนาด้วยพระอรหันต์ทั่วไปก็ละกิเลสแต่พระองค์เนี่ยละวาสนาด้วยแล ะ, ะการบรรลุอรหัตของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีมหากรุณาเป็นต้นเป็นอุปนิสัยเป็นอุปนิสัยที่สําคัญมากให้บรรลุมรรคพออริยมรรคเกิดขึ้นเนี่ยนะมรรคอันนั้นก็กระตุ้นมหากรุณามากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นพระวินัยปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าบัญญัติด้วยพระมหากรุณา นะอาศัยมหาการุณาเป็นหลักเลยในการสอนเรื่องศีลเนี่ยนะคิดดูนะพ่อแม่ถ้าไม่สงสารเนี่ยจะตามว่าตามแนะนําลูกปากเปียกปากแฉะไหมโอ้ไม่ว่ารองนะถ้าคนอื่นทําไมเราไม่บอกเขาอะ่ะใช่ไหมแต่พอเราสงสารลูกเรากลัวจะมีทุกข์มีโทษอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยแนะนํำพระสอนใหญ่เลยอันนี้ก็เหมือนกันอาศัยพระมหาการุณาที่คุณของพระพุทธเจ้านั่นแหละทาให้พระ อ, องค์เนี่ยทรงสแสดงโดยนิยต่างๆอย่างมากมาย ความที่โลกี雅สินเนี่ยเป็นอธิอธิศีนเป็นได้โดยอ้อมนะโลกี雅เนี่ยนะเป็นอธิสินโดยปริยายโดยปริยายนี่แปลว่าโดยอ้อมไม่ใช่ตรงๆเพราะฉะนั้นเพื่อจะแสดงอธิศีลที่เป็นนิปริยายคือตรงโดยตรงอย่างเดียวท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าสินที่สัมปยุทธ์ด้วยมักและผลเท่านั้นชื่อว่าเป็นอธิศีลคือเป็นศีลที่ยิ่งกว่าปาติโมกขสังวอนสินอันนอธิศีลจริงๆก็คือสีลที่เกิดร่วมกับ อริยมรรคและอริยผลแต่ว่าโลกิยะศินที่เรียกว่าปาติโมขสังวรเนี่ยนะเป็นเป็นอธิศินแต่เป็นอธิศินโดยอ้อมเพราะว่าศีลเหล่านี้เป็นไปเพื่ออธิศินจริงๆฉะั้นไอความเป็นอธิศินจริงๆก็คือสินในอริยมรรคและอริยผลนั่นแหล ะ, ะท่านอาจารย์กล่าวว่าเพราะว่าภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยสีล น, นั้นหาเสพเมถุนทําไม่ดังนี้ เพราะในฝ่ายเครหอขัดพระโสดาบันทั้งหลายยังมีความละเมิดในภรรยาแปลว่าภรรยาของตนจริงอยู่จริงอย่างนั้นเครหอขัดผู้เป็นพระโสดาบันย่อมอยู่ครองเรือนพร้อมทั้งบุตรและภรรยาตรงนี้ก็คืออย่าลืมว่าขยายเรื่องปฐมปาราชิกอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะพาดพิงถึงเรื่องเมธเมทุนบ้างเนีนะเพราะว่าสิกขาบทแต่ว่าข้อความหลังๆนี่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอธิบายเกี่ยวกับเรื่องอ เมถุนสิขาบทเนี่ยนะซึ่งก็เอาแค่นี้ก่อนเฉพาะในเรื่องของปาติโมกขยายศั์ว่าปาติโมกหรือศัพท์ว่าอธิศีนอธิศีลวันนี้ก็คงได้เฉพาะปาติโมกอย่างเดียวส่วนวันต่อๆไปก็จะเริ่มถึงอินทรสังวรศีนเป็นต้นต่อๆไป